เวทนาก็ชอบที่จะไปเสวยรสของอกุศลคือราคาโทสามห ه สัญญาก็ชอบไปจำบาปอกุศลสังขารก็ชอบไปปุงแต่งอกุศลนั่นแหะเพราะว่าสภาพธรรมเหล่านั้นไม่ได้มาสัมผัสกับสัตทินซีที่แท้จริงทีแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะ่ะถ้าได้สัตทินซีในคุณของในตถาคตาโพทศธาชัดนศะรัทธาเหล่านั้นน่ะสภาพของศรัทธา ก็จะทำให้ธรรมที่เกิดร่วมกันกับศรัทธามีความผ่องใสและมีความแตกต่างระหว่างรถของตามาคุณกับรถของพุทธคุณรถของพระธรรมาคุณรถทั้งสังคคุณรถของสิกขาสามแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในปฏิจจสมบาทว่ากรรมเนี่ยนะกระแสของขันธาตุอยายตนะที่ทำกรรมในอดีต ที่ดับไปแล้วให้ผลในปัจจุบันก็มีให้ผลในภพที่สองก็มีแต่กระแสของกรรมที่เป็นปฏิจจะที่ทําไว้ที่โชนะดวงที่สองถึงดวที่หเนี่ยที่มันเป็นบาปกรรมทั้งหลายที่เป็นพวกมาถุกฆ่าปิถุกฆ่าเป็นต้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันยังไม่สิ้นสุดลงที่ภพที่สองกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมันจึงต้องมาเจ็บปวดบางคราวที่มาเกิดในภพดีดีเนี่ย พผิดพลาดจะเอากุศลเพียงเล็กน้อยเมื่อทุกขตินิมิตของอกุศลเหล่านั้นได้จังหวะได้โอกาสมันก็เล่นงานลงเอาเอาเวจีอีกอันนี้เป็นต้นนี่ไงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวตรงนี้เกิดขึ้นเพราะเห็นความเจ็บปวดของอุปปณะอุศล บาปเก่าอวุศลเก่ากรรมเก่าเก่าทั้งหลายที่ทําแล้วที่ยังมีกําลังที่จะเบียดเบียนกระแสชีวิตที่จะเป็นไปในสังสารวัตรพอมีความเชื่อมีความตั้งมั่นแล้วก็มีความเข้าใจในพระธรรมอย่างดีอย่างนี้เบีดเสร็จใช่ไหมสภาพของสัตตินรีเนี่ยก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเมื่อสัตตินรียนั้นแข็งแรงสภาพของเวทนาพัทธะเวทนาสัญญาเจตนาอัญญสมมาณเจตสิกสิามเนี่ย กลุ่มพวกนามธรรมต่างๆเหล่านี้ที่มาประกอบกันกันกบสัตทินีเนี่ยก็คอยเข้าถึงสภาพที่ผ่องใสไปด้วยเมื่อสภาพสัตทินีนะตัวเขาเป็นแก้วมั น, นีอยู่แล้วแต่สภาพภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นสมัยก่อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกือกกลัวกะโรพาโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิจชายิริกานตะปะอุททะย่างยาวนานก็เลย คุ้นเคยต่อการสัมผัสกับอกุศลเสวยรสของอกุศลปรุงแต่งอกุศลจําอกุศลเพลิดเพลินกับอกุศลคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะเป็นสภาพที่เป็นที่ยินดีของสัตว์แต่อยู่ต่อมาเนี่ยสัตว์ผู้นั้นน่ะเริ่มฟังพระธรรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าจนบ่มเพาะอัธยาศัยจนกระแสใจของสัตว์นั้นน่ะเข้าถึงสัตจทิฏฐิที่แท้จริงมีความเด็ดเดีย่ยวผ่องใสไม่พอมีความเด็ดเดี่ยว ต่อการที่จะก้าวออกจากบาปอากุศลธรธรมและแล้วก็ทําสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้มีความของให้ความเด็ดเดี่ยวเป็นต้นไี้ตรงเนี้ยพอสภาพผัสาเวทนาสัญญากลุ่มอัญญาสมานะได้มาสัมผัสและมาคุ้นเคยกับสัพทินสีมากขึ้นเห็น ไ, ไหมการครบบัณฑิตการครบพระพุทธเจ้าคบสาวกพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี้ยสิ่งต่างๆเลยเนี้ยสภาพนี้คือเกิดความคุ้นเคยนักเข้าก็จะเห็นความต่าง เห็นความต่างของรถของกรรมคุณกับรถของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรถของสิกขาสาซึ่งมีความละเอียดอ่อนมีความสุ ข, ขุมมีความลึกซึ้งและเป็นความสุขที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราท่านทั้งหลายเคยกินอาหารห ย, ยาบๆ ก, ก, กับกินอาหารที่ละเอียดประณีตแล้วเนี่ยความต่างกันมันคนละเรื่องคนละรสคนใดใช่ไหมสภาพของศรัทธาที่ เราท่านทั้งหลายถ้าใครเคยปรากฏในกระแสใจได้สักครั้งสองครั้งสาครั้งสิบครั้งในคุณของพระพุทธเจ้านี่นะสภาพของเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญาณาขันธนะ์น่ยก็ได้ลิ้มรสของสิ่งที่มีความละเอียดมีความสุขมากขึ้นยริงตรงเนี้เราท่านทั้งหลายต้องเดินให้ได้ต้องสัมผัสให้ได้ต้องเข้าถึงให้ได้ในคุณของพรอบดรมศาสดาบา้างถ้าไม่ได้เลยเราจะไม่เห็นความแตกต่างตองระหว่างกา ร, รมคุณกับพุทธคุณนะ นิสควงสิกขาสามเลยถ้าอย่างนั้นในที่สุดจริงๆเลยชีวิตจะไม่ปลอดภัยทีนี้สภาพของสัตว์ทินทรีย์เมื่อปรากฏในกระแสะใจของสัตว์ใช่ไหมเมื่อปรากฏชัดเจนในกระแสะใจของสัตว์แล้วเนี่ยอาการของสัตว์ทินรีย์มันปรากฏต่อสมาทิฏฐิญานะของผู้ไข้ควรองก็โยคีหรือบุคคลผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะเข้าใจสภาพที่มาเกิดขึ้นกับกระแสะใจของท่าน ท่านก็สามารถที่จะไข่ครวรได้สัมมาทิฏฐิญาณว่าสภาพของศรัท ธ, ธาและธรรมที่เกิดพร้อมกันกับศรัท ธ, ธาเนี่ยนะเป็นสภาพที่ไม่คุณมัวมีความป่องใสแห่งธรรมที่เกิดพร้อมกระตนด้วยในขณะที่ปารลบคุณของพระทเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระรีส่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปปัฏฐานการะปัจจุปถานาอันนี้เขาเรียกเป็นอาการปรากฏต่อยานปัญญาของสัมมาทิฏฐิของบัณฑิตทั้งหลาย เขาจะมองเห็นใช่ไหมว่าเมื่อสัตทินรีย์ทํากิจเต็มที่และเบีเสดในกระแสใจท่านผู้นั้นก็สามารถก็ไปเห็นไปเห็นที่อาการที่ปรากฏเป็นต้นได้เมื่อไปเห็นอาการที่ปรากฏของศรัทธาเป็นต้นแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกปรากฏในใจของบัณฑิตทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าอากาอุปปัฏฐานะการาปยุปปัฏฐานะไม่ใช่ผลปัจจุปปฐานะแต่ถ้าผลปัจจุปปฐานะคือสภาพที่ให้ผล คือการตัดสินใจเชื่อต่อสิ่งเงินควรเชื่อคือสัตยยุทธุอย่างนี้ก็เรียกผลผลปัจจุบนะันนันก็คือผลปรากฏที่เกิดจากกิจนั้นบริบูรณ์และกิจของศรัทธาศรัทธาเขาทํากิจบริบูรณ์แล้วเมื่อศรัทธานั้นตั้งมั่นในคุณของพระเจ้าแล้วตั้งมั่นในคุณของพระธรรมตั้งมั่นในคุณของพารียสงฆ์ตั้งมั่นในศิกขาสามว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้สัตว์นั้นเข้าถึงมรรคนิพพานและมรรคนิพพานก็มีอยู่จริง และประยะิยัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ในะที่เราศึกษากรณีที่ศรัทธาที่มีความมาทำกิจของเขาจริงบริบูรณ์แล้วผลก็ปรากฏเกิดขึ้นการตัดสินใจเชื่อนะ่ะคือผลผลเนี่ยบางครั้งไม่ได้ปรากฏต่อยานปัญญาก็ได้ปรากฏก็ได้เขาเรียกไม่ใช่อาการปรากฏใช่จะเป็นผลปรากฏเพราะกิจบริบูรณ์นี่เรียกผลปรากฏ ฉะนั้นอาการปรากฏในยานปัญญากับผลปรากฏเน่ยบางคนไม่เคยใคร่ควรสตินรีย์ตนเองเลยยิ่แต่มีอาการปรากฏอยู่อีกแต่บางท่านเนี่ยผู้ที่จะใคร่ควรให้ลึกซึ้งขึ้นไปทั้งหลายอาการต้องปรากฏต่อยานปัญญาดูฉะนั้นก็อยู่แค่นั้นเองส่วนปทัฏฐานะก็คือปทัฏฐานะเนี่ยเหตุไกลเหตุคือการศึกษาคําสอนเนี่ยมันมีทั้งเหตุไกลเหตุใกล้แต่ในที่นี้ท่านขับเน้นเหตุใกล้ไว้ก่อน เช่นคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพริยสงคุณของศิษยาสารเป็นต้นกรรมผลของกรรมใช่ไหมปฏจปิจจคือต้นเหล่านี้นั่นแหละคือคือเหตใกล้ของศรัทธานี่ประเด็นต่อมาคือว่าสัพุริสังเสวะการคบสัตว์บุตรกู้สามารถสั่งสอนนริยสัตสิจนบลุมขุนนิพพานด้ือพระเจ้าเป็นต้นสัทธธรรมมาสวน็คือฟังธรรมที่เกี่ยวกับเริยสัต โยนิสโสมนสิการ์การพิจารณาด้วยปัญญาใช่ไหมโดยพิจารณาสังขาราธรรมรูปธรรมนามธรรมแล้วก็สรุปลงเป็นอนิจจังทุกขรรังนิพพานส่วนธรรมานุธรรมะปฏิปติก็คือประพฤติธรรมตามสมควรเกียโอปุตรธรรมก็คือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเริ่มตั้งแต่สารณาคมศีลเป็นต้นเป็นไปตามลําดับนั่นเองทีนี้กรณีในลักษณะอย่างนี้ท่านบอกว่ารัตนะ์เนี่ยกุศลความดีทั้งหลายถามบอกว่า ศรัทธาเหมือนมือใชั้นก้ า, า, กาทศก atha เนพูดไว้ศรัทธาเหมือนมือถามบอกว่าคนมือด้วนคนไม่มีมือเดินไปเห็นรัตนเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเนี่ยไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเก็บเพชรนินจินดาที่ตกอยู่ตามโลกใบนี้ได้เลยเพราะมือขาดมือด้วยแล้วทีนี้เราเนี่ยเห็นสารนาคมเห็นศีล สติปัฏฐานสมปัติฐานอิธิบาทอินทรีย์พระโาโชงอรียมมักเป็นรัตนาไหมคนไม่มีศรัทธาเก็บรัตนาเหล่านี้ไว้ในกระแสขันนี้แล้วก็ไปดูเหตุที่ผลเราเก็บไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เพราะมือเราขาดก็ไปหาหมอคือพระเจ้า ต, า, ตาต่อมือพาตัดต่อมือนี้จะไปปล่อยเป็นคนมือด้วนก็เป็นคนพิการใช่ไหมเราต้องเป็นคนมือไม่ด้วนหยุดจิตเพราะพระทํามเป็นรัตนาไหม มุตตะตาเป็นรัตรนาะนั้นถ้างั้นเข้าถึงรัตรนะนี่แ้ฉะนั้นกรณีอย่างเนี้นะถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าการศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดาในเกี่ยวในเรื่องของที่เราจะศึกษาในเรื่องของสติปัฏฐานหรือศึกษาในเรื่องของเวทนาที่ศึกษากันมาแล้วเนี่ยสิ่งประการอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คืออย่างยกตัวอย่างนะบางครั้งเนี่ยเวลาเราศึกษาในเรื่องของรักตณะที่เจตุการที่เราศึกษากันมาแล้วคือเพื่อกูลมัน จะเกื้อกูลต่อการที่จะทําให้เราเรียนสติปัฏฐานได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นแต่คําว่าลักขณิยเกื้อธุการ น, นะก็ต้องแยกให้เห็นแยกให้เป็นถ้า ง, งั้นเดี๋ยวเอามาใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็กลายเป็นแค่เรียนแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ในการเอามาใช้ให้เป็นเอมายกตัวอย่างแค่ว่าเีทวใกล้ของปัญญาท่ากล่าวไว้ในคมภีวิสุทธิมรรตท่านกล่าวสมาธิใช่ไหมที่ท่านใช้คําว่า สมัยตโตที่ออมาจะคําว่ามาจะคําว่าอ๋อสมัยตโตยะถาภูตาวาชานติปัสตีติวันจนโตปะนะสมาธิตาสะติตาสาปัฏฐานานั้นที่บอกมันคำว่าปทัฏฐานที่ท่านแสดงไว้ที่บอกว่าสมาธิเพราะตรัสว่าผู้ประกอบไปด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนั้นเป็นปทัฏฐานปฏเยตใกล้ของปัญญา แต่ถ้าถามบอกว่าเหตุของปัญญามีแค่นั้นเห็น ไ, ไหมโยนิสโสมณิสการเป็นเหตุใกล้ของปัญญาได้ไหมเห็น ไ, ไหมในคมพีรสั่งยุทธ์เน่ยโยนิสโสมณิการก็เป็นเหตุของปัญญาทีานี้ไม่ใช่แค่นั้นแล้วตอนเนี้ยติเหตุกาปฏิสนทิก็เหตุใกล้ของปัญญาอีกเอาสิเพราะในคัมพีวิสุทธิมกักหรือไปดึงมาในคมพี์สั่งยุทธ์ท่านก็ใช้ สีเลปฏิฐายานโรสปัญโยติตังปัญญ飒ภะวะเขาบอกติเหตุกากปฏิสนธิบุคคลเน่เมื่อเกิดมาด้วยไตยเหตุคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วมาตั้งมั่นในศีลสีประการพ่อคูณสมาบัตแปและเดินวิปัสสนาญาณจะพ้นจากวัฏทุกคพ้นจากทางลกชัดเป็นต้นได้เห็นไหมแม้ตีเหตุกากปฏิสนธิก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญา แม้โยนิโสมนัสการก็เป็นเหตุของปัญญาแม้สมาธิก็เป็นเหตุของปัญญาแม้ปัญญาทัศกะวัยคนที่เกิดมาในวัยของสี่สิถึงห้าสิบก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญานี้เราเลยอย่างไงที่ประการต่อมาอีกอะไรนะบุคคลที่มีกิเลสไม่กุ้มรุมมากก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญาท่าเอาสิ ยังไงเพรา ก, กิเลสาวรมากมากเนี่ยไม่มีไม่แยกเป็นเหตุใกล้เป็นญาเป็นเหตุใกล้แล้วก็มาสังเกตตอนเนี้เราเราขาดเหตุของปัญญาไปกี่เหตุเราเป็นคนที่มีราคาโทรศัโมหามานะที่ทิวิจิตริจารินิกะกลุ่มยิวระทำกุ้มลุมเยอะไหมอันนี้ถ้ขาดเหตุใกล้ของปัญญาไปนหนึ่งแ ล, แล้วเป็นยังไงไวัยของเราอยู่ในปัญญาท่านสกาวัยไหมเอาแล้ววัวเลยแล้วตอนี้ชับยุ่งแล้ว เราขาดเหตุปัญญาไป็สองเหตุแล้วนะอภิการต่อมาว่าเราปฏิสนธิด้วยตีเหตุการปฏิสนธิหรือเปล่าตอนนี้ก็เหลืออะไรแต่เนี้ยเหลือสมาธิปทัฏฐานนางกโยนิยโสเมตสิกานเอาและวก็อลองทูสู้กันดีเลยเนะี้ยสองเหตุเนี่ยแต่ก็มีเนี่ยเราอาจจะเป็นไตรเหตุการปฏิสนธิก็ได้อย่างนี้เป็นต้น งั้นมองคําสอนแล้วก็ดึงมาประชุมไม่ชัดจะได้เห็นถ้าเห็นอย่างเงี้ยเราจะได้จะได้รู้ว่าควรเล่งตัวเองหรือควรจะหย่อนอยานทีนี้ก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าควรเล่งจริง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเพราะว่าในกรณีของปัญญาเนี่ยถ้ามาพิจารณาเอาเราจะศึกษาเรื่องเวทนานุปัสสนาพอจะศึกษาเรื่องเวทนานุปัสสนาเนี่ยลักษณะคือสภาพของปัญญาเนี่ยก็ต้องชา้าต้องศึกษาด้วยปัญญาใช่ไหม ตังศึกษาด้วยปัญญาเพราะคำว่าอโมหะปิปัญยินเสียพ็จะแก่ปัญญาเนี่ยในชั้นของบาลีนนใช้คำว่าอโมโหโยะถาสภาวะปฏิเวทะรักขณูก็คือสภาพของธรรมะหรือสภาวะธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความจริงรักษัะงเขาเป็นอย่างนี้นะส่วนอีกความหมายที่หนึ่งคำว่าธรรมสภาวะปฏิเวทะรักขณูเนี่ยรักาปัญญาเลย <ambiente> ก็คือลักษณะก็คือสภาพธรรมที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงของสภาวธรรมรู้ยังไงบางแห่งท่านใช้คําว่ารู้แจ้งตามความเป็นจ ร, ริง ร, รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจ ร, ร, ริงถ้ารู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจ ร, ริงของปัญญาก pues ็รู้สภาวะลักษณะและรู้สามัญ ล, กลักษณะของสภาวธรรมเห็นไหมถ้ารู้สภาวะลักษณะและรู้สามัญลักษณะของสภาวธรรมส่วนในย่าหนึ่งท่านจะกล่าวในลักษณะว่า รู้สภาวะลักษณะสามัญลักษณ์นีตามความเป็นจริงของปรมาจารย์อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วสภาพของปัญญาเนี่ยก็คือเขาทํากิจเห็นความที่ไม่ลุ่มหลงใช่ไหมถ้าในกรณีอย่างนี้ทศถามบอกว่าในกรณีที่เราจะฟังสติปัฏฐานกันตัวปัญญาเนี่ยสําคัญหรืออย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามาดูอย่างนี้ก็คือว่าจิตเจราานนิญสัมหรือสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ปรมาเหมือนกับนักแม่นธนู ก็ยิงตรงเป้าถ้ากิจของปัญญาก็คือว่าไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพราะว่าหรือสภาพธรรมที่ทําให้อารมณ์สว่างเจิดจ้าดุดดวงประทีปใช่ไหมถ้าเราพิจารณางี้ก็จะเห็นอะไรเห็นว่ากรณีสภาพธรรมที่ส่งความจริงของอารมณ์ปรมัตถ์ให้สว่างเจิดจ้าดุดหรือเหมือนกับจุดประทีปในที่มืดถ้าเราดูสภาพของโมหะเราจะเห็นอะไร สภาพที่จิตนั้นมืดมนแต่ปัญญานี่แหละทําให้จิตนั้นนี่ยสว่างเจิดจ้าขึ้นมาเป็นต้นนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นแล้วบอกว่ า, วาอ๋ไงสภาพธรรมที่ไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือว่ากรณีที่สภาพธรรมที่ทําให้ผลก็คือความปราศจากความหลงเกิดขฉะนั้นการที่เข้าไปรู้แจ้งตามความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราศึกษาคําสอนในชั้นของเวทนานในชั้นของเวทนาอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยก็ศึกษาในเรื่องของเวทนา ที่พูดถึงบอกว่าเรื่องเวทนาที่เกี่ยวกันในเรื่องของที่ท่านตรัสไว้เกี่ยวในเรื่องของกล่าวถึงเวทนาพูดถึงจริงๆพูดถึงในลักษณะของเวทนาเป็นต้นเลยที่พูดถึงเรื่องของเสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือเสวยเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรทุกเวทนามีอามิตรทุกเวทนาไม่มีอามิตร เวขาเวทนาเมียมิตและเวขาเวทนาไม่มียมิตรเป็นต้นนี่ย ท, ท, ที่กล่าวกันไว้ในครั้งที่แล้วตรงนี้ก็คือครั้งก่อนพูดลัคนาที่เจตุ ก, การของเวทนาด้วยพูดลัคณาที่เจตุ ก, การของเวทนาด้วยแล้วก็พูดถึงในเรื่องของกรรมฐานสองอย่างกรรมฐานที่เป็นไปในส่วนของพระพุทธพระเจ้าตรัสรูปกรรมฐาน กายานุปัสนาด้วยอาการอย่างนี้แล้วเมื่อจะตรัสอารมปกรมฐานก็ตรัสด้วยอำนาจของเวทนาและกรรมฐานสองอย่างรูปกรมฐานอย่างหนึ่งและก็รูปกรมฐานอย่างหนึ่งถ้ารูปกรมฐานเรียกว่ารูปปริกหากะการกําหนดรูปประทมส่วนอรูปกรมฐานตัดเรียกว่าอรูปปริกหากะก็คือการกําหนดอรูปก็คือการกําหนดนามธรรมและพระท่านตรัสไว้บอกว่าบรรดารูปกรมฐานและรูปกรมฐานนั้นพระบรมศาสดาก็ตรัส บอกรูปกรรมฐานการจะตรัส บ, บอกรูปกรรมฐานพระองค์ก็ตรัส บ, บอกธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมที่เป็นไปในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่านั้นไว้ด้วยอำนาจของการมาดิสการโดยสังเขบบ้างโดยพิสดารบ้างถ้าโดยสังเขบก็แก่บุคคลที่เป็นอุคติตันยูวิปจิตตัญยูก็โดยพิสดารถ้ากลุ่มในญาติต่างๆเหล่านั้น ก็เป็นกลุ่มที่จะต้องมามีปริปุจฉาค่อนข้างเยอะคือจริงๆปุบพระประโยคน์านสําคัญใช่ไหมเวลาเราศึกษาคำสอนเนี่ยถามบอกว่าสําคัญไหมปุบพระประโยคานเนี่ยอะไรคือปุบพระประโยครัยังไม่ทันรู้เลยสําคัญนะ่ะอะไรอะไรคือปุบ ก, ก็คือถ้าเรามองอย่างนี้นะคาว่าปุบพระประโยคก็คเหตุเคย เคยศึกษาท่องจําทรงจําปริยัติธรรมมาในพระเจ้าองค์ก่อนอยู่เสารนาการฟังอัจฉริยฟังอากการฟังธรรมฟังพระบาลีฟังปริยัติธรรมมาในอดีตก็เยอะปริปุจชาการสอบถามบทยากอธิบายความหมายที่ยากข้อความที่ยากในพระบาลีในอัจถริยคันถีบททั้งหลายนะบทที่มีข้อขอดมีข้อความที่ยากอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งการ เหตุแห่งการที่จะเป็นเหตุเป็นบัจจัยใการที่จะปฏิบัติถูกและป็นบรรลุธรรมและถ้าลองคิดดูถ้าคนที่สมบูรณ์ด้วยทั้งปริยัตมาดีสมบูรณ์ด้วยสวนะคือการฟังอัตกระพุทธพจน์อัตกระ ถ, ถามาอย่างดีแล้วก็ปริบุตรฉาการสอบถามบวชที่ยากคือทำความเข้าใจมาอย่างท่องแท้ในอดีเตเหตุทั้งหลายเหล่านี้นะทั้ง3ประการเป็นเหตุสําคัญมากต่อการบรรลุมาขวนนิพพานและต่อการได้ปฏิสัมมิทายาน ส่วนปุปพพะประโยคน์ก็เหตุเคยอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุเคยเจริญสมถะกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานเดินจนถึงสังขารเปคข้ายานในพระริเจ้าองค์ก่อนๆมาเนี่ยเป็นเหตุสําคัญต่อาการบรรลุเรียมรคเรียผลอุพพะประโยคนนี่นั่นก็เป็นเหตุให้ได้ปฏิสัมพิทาญาณเป็นต้นด้วยนะเป็นเหตุแห่งการบรรลุที่คมเป็นต้นด้วยอันนี้ตามมาพิจรนารณางี้ก็จะเห็น อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เรามาศึกษาคําสอนต่างๆเหล่านี้ตอนนี้เรามาสร้างเหตุมาสร้างเหตุใหม่ทั้งๆที่เราอาจจะเคยทํากันแล้วอย่างยาวนานแต่เราก็ผิดหวังมัผิดพลาดนะใช้คําว่าผิดพลาดในพระธาจ้าองค์ก่อนมา น, านดีมากเพราะเราปฏิบัติผิดไปเยอะตรงเนี้ยเราก็เลยมาต้องมาสร้างเหตุปัจจัยตรงนเนี้ยนะถ้าถามบอกว่าในคําสอนเนี่ยถ้าคําสอนบอกว่าโดยเฉพาะปุถุชนเนี่ย อย่างเราเราท่านทั้งหลายศึกษาปรททิยัติธรรมเนี่ยอย่างแตกฉานต่า ง, างๆเหล่านี้นยะอย่างมากมายเนี่ยถามว่าสามารถบรรลุปฏิสัมพิทาญาณได้ไหมเป็นบุริชนได้ไหมไม่ได้อาริยบุคคลนี่ท่านนึงจะสามารถบรรลุปฏิสัมพิทาใช่ไหมแล้วบุริชนเนี่ยศึกษามากฟังมากให้คนมากไม่เป็นนั่นแหละเป็นการสร้างเหตุต่อการบรรลุสร้างเหตุต่อการได้ถ้าว่ สัจจะ4นี่ น, นะกรณีที่เราจะรู้สัจจะทั้ง4ี่เนี่ยถามว่าเราศึกษารู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยเฉพาะเราศึกษาเวทนานุปสนานก็หนึ่งในขันห้าสรุปก็คือว่าต้องศึกษาเกี่ยวในเรื่องของรู ป, ปรขันทั้งที่เป็นปัจจุบันอดีตใช่ไหมแต่ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นปัจจุบันอดีตอนาคตภายในภายนอกหาบละเอียดเร็วแปรนิยมไรก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปขันก็แสดงในลักษณะอย่างนี้ อย่างนั้นท่านเรียกว่าปัญญาที่รู้รูปเวทนาสัญญาสังขานิยานอย่างนั้นเป็นต้นก็เรียกปัญญาที่รู้ทุกขัสจริย์ทีนี้การที่เข้าไปรู้ทุกขัสจริย์อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอัฏฐปิสัมมิธาคือปัญญาที่เข้าไปรู้อัถฐก็คือไปรู้ของรูปของเวทนาสัญญาสังขานิยานทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันภายในภานอกหยาบละเอียดเดี่ยวไกลใกล้ให้เข้าใจง่าย สังขารธรรมทั้งหลายที่ถูกอวิชชาตันหาอุปาทานแวดล้อมเป็นบริวารถามว่าตัวสมุทยัยสัจจะแล้วสังขารธรรมทั้งหลายที่แวดล้อมสมุทยัยสัจจะคือแวดล้อมตันหาคืออวิชาชาเห็นไหมอุปาทานกำเป็นต้นอีกเยอะหมวลในอคติลทั้งหลายถามว่า เหตุที่จะทำให้ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารมญยาในปัจจุบันไยมีสมุทัยสัจจะอย่างเดียวไหทุกขสัจจะเป็นเหตุของอุปาทานคาันในปัจจุบันนี้ด้วยไหมเห็นไหมฉะนั้นอวิชชาเวน้นปัญหาไว้เสียต่ำอุปาทานบาปกุศลธรรมนรามกในอดีต ท, ที่อยู่ในฐานะเป็นทุกขสัจจะ แล้วอยู่ในฐานะเป็นเหตุสิ่งต่างๆเหล่านั้นชื่อว่าเป็นเหตุของทุกขสัจจะด้วยแต่เขาไม่เป็นสมุทยัยสัจจะเขาอยู่ในฐานะเป็นทุกขสัจจะแต่เป็นทุกขสัจจะในส่วนที่เป็นเหตุแต่ไม่ใช่ทุกขไม่ใช่เป็นส่วนของสมุทยัยสัจจะเพราะส่วนที่เป็นสมุทัยสัจจะมีปัญหาอย่างเดียวนี่เข้าใจใไหมทีนี้ปัญญาที่เข้าไปรู้ สมมาทิฏฐานะที่เข้าไปรู้สมุทัยสัจจะหรือไปรู้กลุ่มสังขารธรรมทั้งหลายที่ถูกอวิชชาตัญหาอุปาทานห้อมร้อมเป็นบริวารของสมุทัยสัจจะอยู่ทั้งหลายหเหล่านี้การไปรู้ในลักษณะนั้นเขาเรียกว่าปัญญาที่การปัญญาที่รู้ทุกขสัจจะและความเกิดหรือเหตุเกิดของทุกขสัจจะเพราะสมุทัยสัจจะชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพัทธายาน คือปัญญาที่ไปรู้ทุกขสัจจะและสมุทยัยสัจจะมีส่วนที่เป็นเหตย่มองออกนะนี่คือ ป, ปัญญาเข้าไปรู้ธรรมะใช่ไหมรู้เหตุของทุกข์ก็เหตุของทุกข์ก็เนี่ยมีแต่สมุทัยอย่างเดียวไหมไม่ใช่ใช่ไหมทุกข์ก็เนีเป็นเหตุของทุกข์ก็เนีได้ด้วย ทีนี้ปัญญาต่อมาคือปัญญาที่ฉลาดในโวหารสำนวนชื่อต่างๆขอ ง, ง, ง, งบรมัตธรรมฉลาดในปัทวีอาโปเตโชเนี่ยฉลาดในดินปัทวีอาโปเตโชวายโดยดินน้ำไฟลมเนี่ยผัสสะเวทนาสัญญาณผัสสะเนี่ ย, ยธรรมชาติที่ถูกต้องเวทนาธรรมชาติที่เสวยรสของรมเจตนาตั้งใจวิญญาณก็รั่วรมทั้งหลายนะ ปัญญาที่เปฉลาดในจำนวนชื่อต่างๆของปรมัต ธ, ธรรมดินน้ำไฟลมเป็นต้นภาษาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันชื่อว่าทุกขสัจจะและสมุทยาสัจจะเนี่ยชื่อว่านิรุตาารติปฏิสัมพิทาญาณเห็นไหมนิรุตติปฏิสัมพิทาญาส่วนวิปัสสนาญาณหรือปัญญาที่ไปรู้อัตถะปฏิสัมพิทาญาน ทำมาปฏิสัมพิทาญานและปณิรสติปฏิสัมพิทาญานซ้ําอีกนั่นชื่อว่าปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาญาณนี้ในวิสุทธิม า, กก า, าร์กัยไงทีนี้พอพิจารณาอย่างนี้เราก็รู้ปุพพะวิโยคะที่เราจะสร้างใหม่แล้วก็คือเหตุในกรณีที่เราท่านทั้งหลายจะศึกษาเรื่องเรื่องสติปัฏฐานพอศึกษาเรื่องสติปัฏฐานก็นมาศึกษาในเรื่องของ เวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไตอนนี้เราเรียนในเรื่องของเวทนาขันเรียนในเรื่องของเวทนาขันทีนี้พอเรียนในเรื่องของเวทนาขันเนี่ยก็มาขยายเวทนาแล้วแต่ก่อนเราเรียนสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทุปรมาสุขเวทนาใช่ไหมเวทนาสามทีนี้ในชั้นของคําสอนถ้าดูข้อต่อไปได้ว่าบรรดา คำสอนที่เราศึกษากันมาถึงในเรื่องของในในหน้าต่อไปนี่นะมาถึงในเชิงอัดที่ปกินหากาเวทนา8ดในนี่นแหละปกินหากาแห่งเวทนาก็คือลักษณะบรรดาเวทนาสามเวทนาที่มีการเสวยอิทธารมอารมณ์ยินาลาาทนาเป็นลักษณะนั้นเป็นสุขเวทนา เวทนาที่มีการเสวย อ, อนิจธรรมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นลักษณะนะั้นเป็นทุกขเวทนาที่เวทนาที่เสวยอารมณ์ที่ผิดจากเวทนาทั้งสองนั้นเป็นมัชตารมนีเนะื้อชื่อว่าทุกขมสุขเวทนาฉะนั้นการเกิดขึ้นของสุขเวทนาทุกขเวทนาจึงปรากฏแต่การเกิดขึ้นของอทุกขมสุขเวทนาไม่ปรากฏ ดังที่ท่านอุปมาเหมือนทางที่เนื้อผ่านไปบนแผ่นหิน อ, อุปมาอย่างเงี้ยตรงนั้นท่านว่าเวทนาสามทีนี้ประการต่อมาท่านพูดถึงข้อที่สองโดยอภิฐานะอภิฐานะน่ะผัสสะชื่อว่า อ, อ, อภิฐานะคําว่า อ, อ, อภิฐานะในที่นี้เขาเรียกอาสันนการะเ้าเรียกเขตใกล้เขตใกล้ของอะไร เขตใกล้ของเวทนาเขตใกล้ของเวทนานะ่ะโดยอธิฐานะเนี่ยก็ชื่อว่าพัสสะเป็นอธิษฐานะตามบาลีที่พระบรมศาสดาบอกว่าพัสสะปัจยาเวทนาเนะี่ัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ฉะนั้นัสสะจึงเป็นที่ตั้งของเวทนาบอกว่าพัสสานั้นพระผู้มีพระเจ้าเปรียบเสมือนอุปมาเหมือนกับแม่โคที่เขาถลกหนังแล้ว แล้วก็ไปยืนอยู่ตามพี่โล่งแจ้